เพราะฉะนั้นพระมหาบุรุษนั้นท่านจึงทําความตั้งใจอย่างแน่วแน่เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณในสํานักของพระพุทธเจ้าในการก่อนด้วยใจและด้วยวาจาท่านคิดในใจของท่านแล้วว่าแม้เราก็เป็นเช่นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงยังประโยชน์สุขให้สําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายโดยชอบโดยถูกต้องนั่นแหละ ท่านคิดนะท่านให้ทานท่านรักษาศีลท่านเจริญบุญกุศลสร้างคุณงามความดีบอกเรานี่จะเป็นเช่นกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้แหละที่จะช่วยเหลือให้สรรพสัตว์ได้สําเร็จประโยชน์และความสุขท่านพูดอยู่เสมอว่าท่านจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะยังประโยชน์สุขให้สําเร็จแก่สรรพสัพตว์โดยชอบดังนั้นพระมหาบุรุษนั้นจึงมีอุปนิสัยสมบูรณ์อย่างนี้ความวิเศษใหญ่ การกระทําต่างใหญ่ใหญ่กว่าใครใหญ่กว่าสาวกกับโพธิสัตว์ใหญ่กว่าปัจเจกกระโพธิสัตว์ของพระมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยเพศคือเป็นผู้ชายปรากฏอยู่ในอุปนิสัยสมบัติทั้งทั้งได้มีอุปนิสัยชาตินั้นเรียกอารหัตตผลก็ได้ด้วยซ้ําไปชาติที่ที่เป็นสุเมธบัณฑิตเนี่ยนะแล้วก็อินทรีย์ของท่านก็แก่กล้าอินทรีย์แต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ก็แก่กล้า แล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติจริงๆเป็นผู้ฉลาดที่มีปัญญามากคนนอกนี้ไม่ได้ทําเหมือนพระโพธิสัตว์เลยไม่ได้ทําเหมือนพระมหาบุรุษผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยมีอินทรีย์บริสุทธิ์มียานบริสุทธิ์มหาบุรุษเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ได้ทําเพื่อตนจะเลยว่านับตั้งแต่ตั้งความปรารถนานะอย่างท่านโซเมศบัณฑิตเนี่ยททุกอย่างทาเพื่อ สัตย์อื่นไม่ได้ทําเพื่อตนถ้าเพื่อตนเนี่ยนะเรียกว่าสกัดถะสกัดถะแปล ว, ว่าประโยชน์ตนเนี่ยสกะบวกอถัถฐะเรียกว่าสกัดถะเนี่ยนะประโยชน์ตนคืออรหัตผลถ้าท่านต้องการประโยชน์ตนท่านจะเป็นองค์สุดท้ายในหมู่สาวกที่ที่เดินไปไปฉันที่เมืองอะไรนะอมารวาวดีใช่ไหมเมืองน่ะที่ชาวบ้านชาวชนบทก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันน่ะถ้าท่านปรารถนาท่านจะฟังไม่เกินสองรทัดเนี่ยนะท่านจะบรรลุแล้ว ท่านท่านก็จะเดินเป็นพระารหันองค์สุดท้ายในกลุ่มนั้นเดินตามไปเขาเรียกว่าประโยชน์ตนบอกว่าแต่ไม่หลังจากนั้นท่านต้องการเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นความจริงอย่างนั้นคนนอกนี้ไม่ได้ปฏิบัติเหมือนอย่างมหาบุรุษนั้นที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากคือแปล ง, ง่ายๆแบบคนทั่วๆไปเนี่ยนะทำทุกอย่างเพื่อตัวบอกว่าโอ๊ยถ้าไม่มีเรานะไ ม, ไม่เอาอะ่ะ คือทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีเราได้ไหมเราจะได้เชื่อไหมเราจะได้ยศไหมเราจะได้ตําแหน่งไหมเราจะมีอํานาจไหมคือว่าทําทุกอย่างเพื่อเราหมดโดยมากเนี่ยนะถ้าไม่มีเราไม่ไดต้องมีเราอยู่ด้วยเสมออันนี้คืออัธยาสาัยของคนทั่วๆไปนะมัน <transparency. S 2> จะดีขนาดไหนก็ช่างเถิดถ้าไม่มีเราด้วยก็ใช้ไม่ได้ต้องมีเราถ้ามีเรามันจะเลวขนาดไหนก็ดีหมดข<ๆ>อให้มีเราอยู่ด้วยเนี่คือคือความคิดของคนทั่วๆไปสัตว์ทั่วๆไปนั้นเป็นอย่างนั้น ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ตนเอาตนก่อนเพื่อนว่างั้นเถอะถ้ามีเราเป็นถูกต้องใช้ได้ถ้าไม่มีเราผิดหมดถ้าข้อปฏิบัติไหนถ้าเราปฏิบัติอันนั้นมันถูกถ้าคนอื่นปฏิบัติผิดหมดอันนั้นก็เอาเอาเราเข้าเป็นตัวมาตรฐานเป็นเครื่องวัดทุกอย่างเราหมดอะนะคิดว่าเห็นแก่ประโยชน์ตนและพวกพ้องว่างั้นแต่พระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้น ท่านทําทุกอย่างท่านปฏิบัติทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกกระบวนโลกานุกรรมปายะเนี่ยนะทีะ่เราเพื่ออนุเคราะห์หมายความว่ามีใจกรุณาต่อโลกประสงค์จะปลดเปลื้องโลกให้พ้นจากความทุกข์ในนะทุกข์ที่เกิดจากชาติชรามรณะเป็นต้น เพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเข้าถึงประโยชน์คือพระนิพพานเข้าถึงสิ่งที่เกื้อกูลคืออริยมรรคเพื่อความสุขคือสามัญญผลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะนั้นเป็นการปฏิบัติของท่านนั้นปฏิบัติเพื่อเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้นิพพานเพื่อให้สัตว์เข้าถึงอริยมรรคเพื่อให้ได้สามัญญผลเพื่อให้สัตว์พ้นจากวัตตทุกข์โดยประการทั้งปวงอันนึ่งพระมหาบุรุษนั้น นำมาซึ่งความเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์สุขนั้นท่านท่านฉลาดในสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะอย่างแม้กระทั่งเหตุใดที่เป็นประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งท่านฉลาดด้วยปฏิพานอันเกิดขึ้นตามสมควรแก่ฐานะเพราะท่านคือผู้ฉลาดในฐานะและอฐานะท่านรู้อะไรเป็นปัจจัยของอะไรอะไรไม่ใช่ปัจจัยของอะไรเนี่ยนะเนื่องจากท่านรู้ฐานะอะฐานะเป็นอย่างดี ฐานะแล้วว่าเหตุอะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรไม่ใช่เหตุของอะไรอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้เรียกว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นไปได้อะไรคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะไรคือเป็นเหตุที่ทําให้อะไรเป็นไปได้เนี่ยนะท่านรอบรู้เนี่ยเรียกว่าฉลาดในฐานะและอัะฐนะสรุปรวมความตรงนี้ว่าเนื่องจากท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยทําบุญตั้งความปรารถนาะด้วยกายวาจา ด้วยใจในพระพุทธเจ้าพระองค์กรกรปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสรพรพสัตว์ทั้งหลายเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ที่มีปัญญานั่นเองอีกอันหนึ่งก็เนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยโดยพื้นฐานและเป็นคนอัธยาศัยดีอัธยาศัยในที่นี้หมายว่าอัธยาศัยในบารมีสิบนั่นเองคือเนื่องจากอัธยาศัยเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุให้ท่านมั่นใจว่าท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าและท่านทําได้สําเร็จ เนื่องจากท่านดูตรวจดูอัธยาศัยของท่านอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์คืออะไรพระมหาบุรุษมีอัธยาศัยในทานอัธยาศัยในการให้อัธยาศัยในการให้เป็นต้นว่าพระมหาบุรุษปกษษติแล้วเป็นผู้มีอัธยาศัยในทานยินดีในทานเมื่อมีธยาธรรมย่อมให้ทีเดียวพวกนี้มีของไว้ได้มีแล้ให้หมดพวกนี้มีอัธยาศัยให้ยินดีที่จะให้มีความสุขที่จะ ให้เนี่ยถ้าให้แล้วเบิกบานใจว่างั้นถ้าไม่ได้ให้แดงไอ้เนี่ยนะถ้าให้เมื่อไหร่ก็ยิ้มแป้มาแล้วนตแสดงว่าให้ทานมาแล้วพันไม่เบื่อหน่ายจากการเป็นผู้มีปกติแจกจ่ายเนืองๆจ่ายอย่างสม่ําเสมอเบิกบานเอื้อเฟื้อแล้วก็มีความสนใจที่จะให้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องให้ให้เมื่อไหร่เราลงรายละเอียดทันทีให้ที่ไหนให้เมื่อไรให้ใครให้อย่างไรให้ยังไงเนี่ยนะว่าพูดเราสนใจมากเลยนะ เหมือนกับอะไรแนะพวกวงการกีฬาก็สนใจกีฬาพวกวงการเมืองก็สนใจการเมืองพูดคําเดียวเท่า น, นั้นแหละที่เหลือเขาพูดหมดนะพวกสนใจเนี่ยพวกนักทานพวกนักให้ทานก็เหมือนกันนี่ในการให้น้อมไปเพื่อที่จะให้มีความสุขที่จะให้จะให้ได้เมื่ อ, อไรให้ที่ไหนให้อย่างไรจะต้องให้แค่ไหนอะไรยังไรเรงเนี่ยนะชอบการให้เป็นอัธยาศัยอะ่ะก็ก็บังกลุ่มเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะบอกพูดเรื่องให้เนี่ยบอกเลยเมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได้ยังไงก็ได้ห้ามคุยเรื่องอื่นนะ น้าผู้ธรรมะเด็ดขาดถ้าเรื่องคานเนี่ยได้เลยเมื่อไหรก็ได้จะให้ทําอะไรก็ได้ให้เป็นประธานก็เอาให้เป็นกรรมการให้เป็นอะไรได้หมดนะถ้าเรื่องบุญให้เป็นหัวหน้าก็ได้ให้เป็นรองก็ได้ให้เป็นกรรมการก็ได้อให้ร่วมก็ได้ให้อนุโมทนาก็เอาไปกันนะขอให้ได้ทําเถอะมีความสุขมากแต่ถ้ายังเอิญเอาไว้ก่อนเขาบอกว่าครั้นให้มากมายก็ไม่พอใจด้วยการให้นี่ยนะสิ่งที่ถ้าให้ไปขนาดไหนก็ ให้มากขนาดไหนก็ยังไม่รู้สึกว่าอิ่มเหมือนอะไรเหมือนน้ำท่านเหมือนทะเลที่ไม่อิ่มด้วยน้ําำนะใจของท่านอย่างนั้นแหละไม่อิ่มด้วยการให้ให้มากไปขนาดไหนก็มีความรู้สึกเหมือนยังไม่ได้ให้อะไรไม่ต้องพูดถึงให้น้อยๆแค่ว่าขนให้แทบจะหมดตัวอยู่แล้วก็ยังบอกว่าก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าให้อะไรมากมายเลยทําไมให้น้อยจังก็ไม่รู้มีความรู้สึกว่ายังไม่ได้ไม่ได้ให้ยังไม่เต็มใจอย่างนั้นนะยังไม่พอใจยังไม่ ภาษาไทยก็ยังไม่สะใจเลยเหมือนกันไม่สะใจไม่สาแก่ใจทางเหนือก็ไม่แล้วใจเตื้องเหมือนกันไม่แล้วใจ เ, ล, ใจเลยนะไม่ไม่เรไม่ไม่ภูมิใจเลยเนี่ยนะอันหนึ่งเมื่อจะยังอุตสาหะให้เกิดแก่ผู้อื่นก็ยังกล่าวถึงคุณของการให้พูดประโยชน์ของการให้ให้คนอื่นเสมอเนี่ยนะ ไม่เบื่อหน่ายที่จะพูดเรื่องการให้แสดงทำปฏิสังยุ ด, ด้วยการให้แนะนำให้คนอื่นรู้จักให้ให้ใหแล้วมันดียางนี้เนี่ยนะเรียกว่าเชียร์เรียกว่าเหมือนกับพวกเชียร์กีฬานั่นอนะันนี้เชียร์การให้บอกจะให้เมื่ อ, อไรให้อย่างไรเออดีๆีมีแต่สนับสนุนมีแต่ส่งเสริมพูดถึงประโยชน์ของการให้เรามาเคยเห็นบางครอบครัวเนี่ยนะ ก็อว่าสามีไปให้ที่ไหนมาเนี่ยนะโอ้ยภรรยามีแต่ดีใจเออดีแล้วแหมให้น่าจะให้เพิ่มอีกนิดนะอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะภรรยาเขามีแต่เป็นอย่างนั้นตลอดนะนะบางคนเนี่เป็นอย่างนั้นบางคนนะแต่หลายคนบอกไปให้มาทําไมให้ทําไมให้แล้วจะกินอะไรเนี่ยนะโดยทั่วๆไปก็หนาคนเป็นอย่างนั้นนะแต่ก็มีบางคนที่เรียกว่าสามีให้ก็ดีใจบางมากเพราะฉะนั้นสามีบางคนก็เลยบางเอกนั่นแหละแอบทําโดยที่ไม่บอกไม่บ้าน เขาบอกบอกมันทําไมบอกมันก็ไม่อนุมโมทนาเหมืองกันเดี๋ยวมันจะบาปต่างหากหมือนกนนะเพราะฉนั้ น, งงนเราเป็นแม่บ้านก็หัดอนุมโมทนาเป็นซะบ้างนะไม่ ง, งั้นก็อะไรนะริสยานําหน้าก็เดือดร้อนแน่เั้นท่านจึงมีอัธยาศัยที่กล่าวอานิสงฆ์เรียกว่าเชียร์เรื่องให้ขึ้นชื่อว่าการให้เมื่อไรแล้วก็โอ้ดีใจสนับสนุนส่งเสริมเต็ ม, ตมที่จะให้พูดอนิสงฆ์ข้องการให้ก็ไม่เบื่อไม่หนายเนี่ยนะยินดีที่จะแสดงถึงประโยชน์แห่งการให้ เห็นคนอื่นให้แก่คนอื่นก็พอใจมีความสุขได้ข่าวว่ามีการให้ที่ไหนนะฟังแล้วมีความสุขมากดีใจมากที่ที่เรียกว่ามีการให้ยังมีการให้มีการบริจาคมีการเสียสละให้อภัยแก่คนอื่นในฐานะที่เป็นภยัยถึงคนอื่นจะน่ากลัวขนาดไห น, น, นก็ให้อภยัยถึงคนอื่นเขาจะสร้างความเลวร้ายขนาดไห น, น, นก็ให้อภัยได้เสมออันนั้นเนื่องจากว่าท่านให้วัตถุทานมาก อภัยทานท่านจึงให้ได้นะนะให้อภัยแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้อย่างสม่ําเสมออย่างในในพระไตรปิฎกอย่างในเรื่องเศรษฐีในอดีตเนี่ยนะเศรษฐีในอดีตเขามีเรื่องหนึ่งที่เศรษฐีไปทะเลาะ ก, กับใครน ะ, ะมีอยู่ข้างหนึ่งเศรษฐีคนหนึ่งเขาเดินออกนอกบ้านก็แต่เช้าหมดเลยก็ไปเห็นไอ้คนหนึ่งที่มันนอนสาลาข้างข ท, ทางอ่ะนะท้ามันเพื่อนโคลน เปื้อนคลนก็ผ้าคลุมหัวเพรา ก, กลัวยุงกัดนะนะก็คลุมหน้าคลุมตาคลุมตัวไปแล้วก็ดูเท้าเปื้อนคโคล น, นแล้วแสดงว่าคนนี้หากินกลางคืนก็พูดเลยคนนี้หากินกลางคืนก็แปลว่านี้โจรฟังปั๊บโกรธเลยเนี่ยนะคนนี้โกรธดูที่ใครพูดกับเราโอ้เศรษฐีอุปถาพระพุทธเจ้าเศรษฐีเนี่ยคล้ายๆกับอนาถาบินที่ก่ายเงี้ยนะแต่ไม่ใช่พรนะพุทธเจ้าองค์นี้นะพระพุทธเจ้าองค์ก่อน เป็นคล้ายๆอนาถบินทิกาเศรษฐีที่เป็นมหาเศรษฐีที่ทําบุญสร้างเสนาสนะถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะแกก็พอฟังก็โกรธบอกว่าโอชาตินี้ถ้าทําลายเศรษฐีไม่ได้ไม่มีความสุขแน่ก็เลยหาช่องทางเผานาเศรษฐีทั้งหลายครั้งเผานาเสียหายมากตัดขาโคในค อ, อกอีกสร้างความเสียหายอย่างอื่นอีกหลายเรื่องในที่สุดก็ไม่สาแก่ใจบอกว่าถ้า ถ้าเราจะทำลายใครเนี่ยนะจะต้องทำลายของที่เขารักเขารักอะไรถ้าทำลายสิ่งที่เขารักได้เนี่ยนะมันสะใจที่สุดก็เลยว่าได้ไปสืบว่าเศรษฐีชอบอะไรบอกเศรษฐีเนสระสร้างกุฏิถาวายเป็นพุทธบูชาหลังใหญ่มากที่มีมูลค่าหาประมาณไม่ได้บอกต้องเผากุฏิสิจึงจะมีความสุขเหมือนกัก ว, ว่ามีความสุขกับการทำลายสิ่งที่เขารักได้ข่าวว่าเขารักกุฏิสร้างพระพุทธเจ้ามากก็ลเลยจะไปเผากุฏิ พอพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตหมดแกก็ไปทุบหม้อน้ําเผากุฏิพระพุทธเจ้าข่าวก็ดังถึงเศรษฐีเศรษฐีก็ตบมือดีใจร้องเอ้ดีใจจังบอกว่าเอา้าบุญที่เราทําเราก็ได้บุญไปแล้วเนี่ยนะไอ้ที่ทําเป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้าก็ได้บุญบุญสําเร็จแกเราไปแล้วเราจะไปเสียใจทําไมบุญที่ทําไปเนี่ยไฟก็ไห ม, ม, ม้ไม่ได้น้ําก็ท่วมไม่ได้ ไม่มีอะไรทําให้เสียหายบุญที่ตัวเองได้ทําไปหรอกโจรก็ปล้นเอาไปไม่ได้หรอกก็เลยดีสิเราจะได้ทําใหม่โจรคนนี้ฟังจะยิ่งโกรธกับเก่าอีกที่จริงจะทําให้เขาเสียใจใช่ไหมแต่นี้เศรษฐีด้านดีใจที่จะได้ทําใหม่ อ, อยหนักใจมากแล้วก็วางแผนไปเศรษฐีก็วางแผนสร้างกุฏิเป็นพุทธบูชาดีกับเดิมอีกเสร็จ แ, แล้วพอวันทําบุญถวายกุฏิถวายเสนาสนะแก่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะ โจรคนนี้ก็แอบพังยรู้ๆที่เศรษฐีจะพูดอะไรพูดไม่ดีจะฆ่ามันเลยกันนี่แต่ฆ่าได้มันคงมีความสุขที่สุดชีวิตนี้แล้นนะเสร็จแล้วก็เศรษฐีพอทําบุญถวายแกพระพุทธเจ้าก็เล่าความหลังถวายพรุทธเจ้าทั้งหมดแซก็เล่าบอกว่าขอยกบุญที่ทํากุฏิอันนี้ให้กับคนนั้นะก่อนขอยกให้คนนั้นก่อนโอ้ยคนนี้เตรียมมีดจะไปฆ่าเศรษฐีอยู่แล้วก็เลยเขบอกว่าถ้าเราเรานี่เลวสุดๆนะเนี่ยถ้าเราไม่ให้คนดีขนาดนี้ ให้อภัยเนี่ยฟ้าผ่าแน่ก็เลยไปขอขอขอมาเศรษฐีนะเศรษฐีก็บ่าขอก็เลยให้อภัยก็ถามถึงความหลังเรื่องไปยังไงมายังไงบอว่าบอกท่านเศรษฐีถ้าท่านให้อภัยแกผมจริงขอให้ท่านรับผมไปเป็นคนงานในบ้านด้วยเถื่อก็บอกว่าท่านเ อ, อ้ยผมพูดคําเดียวเนี่ยท่านยังผลานผมขนาดนี้เหมือนกันถ้าเอาไปอยู่ในบ้านด้วยผมจะว่าอะไรได้ว่าไปตามทางของคุณเถื่อเหงือนกันเพราะว่าให้อภัยได้เสมอคําว่าให้อภัยนี่ไม่ได้แปลว่าจะต้อง มาคลุกคลีตีโมงกันแล้วเรียกว่าให้อภัยกับงูเห่าก็เลยเอางูเหามานอนอยู่ในห้องด้วยไม่ <c oughs> มีใครก็ทําอย่างนั้นให้อภัยกับโจรแล้วเอาโจรมาเลี้ยงไว้ที่บ้านเนี่ยนะเขาไม่มีใครเขาทําอย่างนั้นหรอกไอ้คําว่าให้อภัยเพราะว่าแปลว่าไม่เก็บเอามาคิดแต่แยกแยะผ่านและบัณฑิตเป็นใครควรคบหาสมาคมใครมีอุปการะใครไม่มีอุปการะใครควรอยู่ใกล้ใครควรห่างเป็นต้นเขาแยกแยะเป็นเนี่ยนะ พอแยกแยไม่เป็นบอกแม่อุตส่าให้อภัยดูมันยังทำกับเราได้คนละประเด็นการโง่ no you know like so old, ท่างหากกรสิเน right <pot> <tit> ี่ยนสมัยใหม่เนี่ยเนื่องจากว่าหลายๆเรื่องเกิดจากความโง่เขาก็เลยโทษธรรมะเนี่ยนะโทษกุศลธรรมเพราะเรามีเมตตากับมันแท้ๆเลยเนี่ยนะตำหนิเมตตาซะอีกเนี่ยนะกลายเป็นว่าเอาไปเอามาเพราะตำหนิศีลตําหนิกุศลตําหนิเมตตาตําหนิการให้ทานตําหนิการรักษาศีลเพราะเราให้ทานแท้เราจึงยากจน เพราะเรารักษาศีลแท้เราก็เลยทํามาหากินไว้ทันคนอื่นเป็นต้นนี่นะคือคื อ, คอ ห, ลหลายเรื่องเนี่ยก็บนบ น, บนกุศลธรรมแต่ไม่เคยตําหนิว่าเพราะโง่แท้ๆเนี่ยนะเพราะโลภะแท้ๆมันทให้เราเสียหายขนาดนี้เพราะโทสะแท้ๆมันทําให้เราเดือดร้อนขนาดนี้เพราะโมหะแท้ๆไม่เคยโทษอกุศลเลยหันกลับไปโทษแต่กุศล เ, เรียกว่าอะไรนะเมตตาเกินประมาณจะ ก, ก่อความรําคาญไม่สิ้นสุดที่จริงอ่ะไม่ใช่เมตตาแต่เพราะความโง่สิ แก้ไม่เป็นเนี่ยนะบ้านบางคนก็เลยมาตำหนิ ก, กุศลธรรมไปซึ่งกุศลธรรมไม่เคยมีพิษมีภัยเลยแต่เนื่องจากกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานี่แหละที่สร้างความเสียหายให้ที่ควรเพิ่มคือควรเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาเพิ่มความรู้เพิ่มความสามารถหลายๆเรื่องมันก็จะช่วยได้ไม่ใช่ไปตเหนิกุกศลธรรมตำหนิคุณงามความดีไม่ใช่อย่างนั้นอันสรุปว่า ผู้ที่มีอัธยาศัยในการให้เนี่ยจะให้วัตถุภายนอกก็ให้ได้ให้อภัยก็ให้ได้ให้ได้ทุกอย่างแต่แล้วถามว่ายอมให้คนอื่นเ้าหลอกไหมคนที่มีอัธยาศัยในทานเนี่ยนะไม่ง่นะไม่ไม่ง่งถ้าท่านโง่อย่างนั้นเน่เอ้าวก็เห็นอะไรก็ทำไมเกิดมาก็กระโดดให้สัตว์อื่นกินไปเลยไงนะ ฆ่าตัวตายไปทุกชาติจะได้สละพลีชีพให้ทานทุกชาติทุกชาติไปที่ไหนก็เห็นเขาหิวก็เออไปฆ่าตัวตายอุทิศกับคนอื่นไปหมดเลยเขาไม่โง่กันอย่างนั้นหรอกดูสิขั้นท่านทาอย่างนั้นไหมไม่ทำเนี่ยนะท่านไม่ทําทําไมท่านไม่ทําเพราะท่านมีปัญญาประกอบทั้นอัธยาศาัยแห่งการให้ทันก็เป็นอ่าเป็นผู้ที่มีปัญญาประกอบเนี่ยนะมีปัญญาประกอบไม่งั้นทําไมไม่ไปให้เขาหลอกลวงอ่ะนะเอาก็ไปให้ไงให้เขาหลอกไง ไม่งโง่ขนาดนั้นหรอกอันนี้อัธยาศัยแห่งทานนี่มาดูอัธยาศัยศีลบ้างพระมหาบุรุษเป็นผู้มีอัธยาศัยในการรักษาศีลเป็นต้นว่าท่านมีหิริละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปประกรรมเนี่ยของอะไรบ้างเช่นท่านละอายใจที่จะทําชั่วท่านเกรงกลัวต่อผลแห่งความชั่วท่านละอายใจที่ท่านต้องฆ่าท่านเกรงกลัวผลแห่งการฆ่า อายใจตัวเองที่จะต้องฆ่าสัตว์เกรงกลัวว่าผลแห่งการฆ่าสัตว์อะไรจะเกิดขึ้นก็เลยเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ยินดีในธรรมอันงามเป็นผู้ที่มีศีลคุณสมบัติของผู้มีศีลคือไม่โอ้อวดไม่มีมายามายาแปล ว, ว่าหลอกลวง น, นะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ก็แสดงตัวว่าเป็นคนดีอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่ามีมายาเป็นคนที่ซื่อตรง ซื่อตรงกับโง่เขานี่นคนละอย่างกันนะซื่อกับเซอร์มันคนละอันกันนะเดินไปชนอะไรแบบเสียหายอันนั้นเรีเซอร์คำว่าซื่อตรงเนี่ยก็คือรู้ว่าอะไรสมควรจะทําเพรยะว่าตรงต่อกุศลธรรมตรงต่อคุณงามความดีแต่ไม่ใช่เป็นคนซื่อตรงพูดขวานผ่าซากเนี่ยนะก็เลยถูกผ่าหัวมาถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะเรียกว่าซื่อตรงนะคำว่าซื่อตรงเนี่ยรู้ว่าอะไรจะสมควรอะไรเหมาะอะไรสมเป็นต้นเนี่ยนะท่านะ ไม่ใช่แบบซื่อเสื่อซ้าอะไรไม่ใช่คนแบบนั้นะคําว่าซื่อตรงนั้นเป็นคุณสมบัติที่ดีที่เรียกว่าใช้เป็น น, นะว่าแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะตรงตรงมีความสามารถที่จะรักษากุศลธรรมซื่อตรงที่จะบริหารกุศลธรรมให้ยาวและต่อเนื่องขณะเดียวกันเนี่ยบัณฑิตทั้งหลายแนะนําก็ว่าง่ายบัณฑิตทั้งหลายแนะนําง่ายว่าง่ายในะที่นี้ไม่ใช่เด็กมาแนะนำก็โอ้ยทําไปหมดนะ คนทานมาแนะนําบอกเออเนี่ยเพื่อนได้เวลาดื่มเหล้าแล้วอะไรนะโอ้ยว่าง่ายเดินตามเพื่ต้อยต้อยไปเลยถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าว่ายากสอนยากนะนีคําว่าง่ายในที่นี้แปลว่าบัณฑิตทั้งหลายแนะนำอะไรก็เชื่อฟังตั้งมั่นอยู่ในคําของบัณฑิตทั้งหลายประกอบด้วยคุณธรรมอันทำให้เป็นผู้ว่าง่ายบางคนเนี่ยนะว่าง่ายแต่ว่าไม่มีคุณสมบัติของคนว่าง่ายเป็นยังไงว่าคํามันเทียงห้าคำยังไงนะอธิบายได้ทุกเรื่อง หมายถึงว่าอธิบายได้หมดว่าทําไมเขาไม่ทําดีเหมือนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคนว่ายากสอนยากคนว่ายากสอนยากก็คืออย่างแนะนําให้เจริญกุศลอะไรเนี่ยอธิบายได้หมดมีข้อแก้ตัวได้หมดเลยเขาเรียกว่าว่ายากแต่ถ้าคนว่าง่ายก็คือไม่มีเหตุผลที่จะเลี่ยงในการเจริญกุศลเนี่ยนะมีใจน้อมไปเพื่อเจริญกุศลโดยส่วนเดียวนี่เรียกว่าว่าง่ายเนี่ยนะแต่ถ้าแนะนําให้ทําอกุศลเมื่อไหร่เนี่ยนะโอ้เด็ดตีนขาดก็ไม่ยอมเหมือนั้น อันนี้คือเราว่างกว่ายากที่จะแนะนําไปทางอากุศลแต่ถ้าเป็นกุศลและว่างง่ายคําว่าผู้ที่ยินดีว่าง่ายก็คือรับโอวาทแล้วก็มีความรู้สึกขอบคุณผู้ที่ให้โอวาทโดยสามัญญสำเน็ต ก, ก็บอกว่าเหมือนกันอะไรนะโอ้นั่นน่ะเงินของคุณตกอยู่ตรงนั้นน่ยนะถามว่าขอบคุณคนบอกไหมนั่นแหละลักษณะนั้นคือเรียกว่าขอบคุณคนที่ชี้ขุมทรัพย์ฉันนั้นเนี่ยนะก็ยินดีอะไรที่เป็นประโยชน์เรียกว่าเป็นคนว่าง่าย มีมีธรรมะอันประกอบว่าเป็นคนว่าง่ายก็คือยินดีที่จะรับฟังบางคนเนี่ยนะมันไม่รับฟังเอาเลยเนี่ยนะเพราะว่าแนะนําคําเดียวที่เหลือพูดหมดไม่รู้พูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้อันนี้เรียกว่าเป็นคนว่ายากเนี่ยนะอันว่าง่ายก็คือปรารถนาที่จะรู้อพอเขาแนะนําอแล้ว ขอรายละเอียดขอข้อมูลขอความเพิ่มเติมปรารถนาที่จะรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปรู้เข้าใจเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมอะไรไหมมีการสอบสวนฝ่ายรู้จริ ง, รงๆเรียกว่ามีคุณธรรมของผู้ว่า ง, ง่ายลักษณะคุณธรรมของผู้ว่า ง, ง่ายภาษาสมัยใหม่เรียกออกใยรู้พันเวลาคนอื่นเขาแนะนําปั๊บก็สอบถามเลยว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงขอข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ว่าว่า ง, ง่ายแบบแกล้งเอาใจของผู้แนะนําก็ไม่ใช่ มีความสุดจริตใ จ, จที่จะรับโอวาทเหล่านั้นอย่างแท้จริงก็เป็นคนที่อ่อนโยนเนี่ยนะอ่อนโยนคุณสมบัติของคนอ่อนโยนเป็นไงขอไม่หยาบกระด้าง ก, ะะกันแล้วกันอย่างนั้นอ่อนโยนก็คือตรงกันข้ามกับมันกระด้างอ่ะนะแต่ถ้าหากสังเกตบางคนเนี่ยก็นิสัยอ่อนโยนมากบางคนก็หยาบกระด้างขณะเดียวกันเนี่ยนะไม่ดูหมิ่นคนอื่นไม่ดูหมิ่นท่าน บางคนเนี่ยวันๆหนึ่งนะบอกว่าพูดถึงแต่ความเลวร้ายของคนอื่นแล้วคนนั้นจะดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่มีปกติไม่พูดถึงความเลวร้ายของคนอื่นแต่ขณะเดียวกันไม่ใช่ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วนะเป็นคนที่ติคนที่ควรติชมคนที่ควรชมแต่ไม่ใช่ว่าโอ้เงามากก็หยิบเอาความเลวมานั่งเล่าสู่กันฟังโอ้สนุกสนานกันยกใหญ่มีความสุขที่จะเล่าถึงความเลวของคนอื่น แต่ใครมีข้อมูลแห่งความเลวมาเล่าเพิ่มเติมมีความสุขมากถ้าอย่างนี้ก็คนนั้นน่ะเลวที่สุดอยู่แล้วนั้นตรงนี้ไม่ไม่ดูหมิ่นคนอื่นเขาเนี่ยนะก็เป็นคนที่เรียกว่าแปลว่าให้อภัยคนอื่นได้เสมอนี่แหละคุณสมบัติของผู้มีศีลไม่เบียดเบียนสัตว์จีนดีในทํางานมีศีลไม่โอ้อวดไม่มีมายาซื่อตรงว่าง่ายประกอบด้วยคุณธรรมที่เรียกว่าแนะนําให้ได้โดยง่ายรับโอวาทคาสอนโดยความ เคารพเป็นคนอ่อนโยนไม่กระด้างไม่ดูหมิน่นอันนี้อัธยาศัยไห้ศีลข้อที่หนึ่งะนะศีลข้อที่สองว่าไงเป็นคนที่ไม่ถือเอาของคนอื่นโดยที่สุดแม้แต่เส้นญ้าเรียกว่าขโมยเส้นญ้ายัางไม่เอาเลยเมื่อคนอื่นลืมของเอาไว้ในที่อยู่ของตนก็บอกให้เขารู้แล้วก็มอบให้โดยไม่เอาของคนอื่นเก็บเอาไว้แต่นะเออนี่ของของท่านนะท่านลืมเอาไว้เอาไปเอาคืนไปเนี่ยนะ บางคนนี่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะของคนอื่นเขาลืมไว้ก็ เ, เก็บรักษาให้อย่างดีคอยเขาเรีกบางทีเขาแทบจะส่งตามไปเลยนี่นของของท่านนะท่านลืมเอาไว้อย่างนั้นอย่างนี้บางคนนี่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เอาของผู้ใดเลยของของผู้ใดก็จงเป็นของของผู้นั้นเถอดเนี่ยนะขอให้มีสมบัติอันยืนยาวเนี่ยนะขอให้เจริญด้วยพระคสมบัติมันจึงเป็นผู้มีอัธยาศัยไม่โลภไม่ใช่เห็นของใครแล้วก็น้อมมาเป็นของตนไปหมดก็ไม่ใช่เนี่ยนะ แม้แต่จิตที่คิดเป็นบาปในการถือเอาของคนอื่นก็ไม่ให้เกิดขึ้นเกียรติกันเลยนะเออเนี่ยจะคิดทุจริตกับของคนอื่นนะเนีนย่น ย, ยตำหนิความทุจริตแม้แต่ความคิดสมมติแม้แต่คิดไม่ดีปั๊บห้ามความคิดที่ไม่ดีละกับจัดความคิดที่ไม่ดีมองความคิดที่ไม่ดีที่น้อมไปเพื่อจะเอาของผู้อื่นโดยทุจริตกรรมเนี่ยนะเป็นความเลวร้ายมุ่งที่จะทาลาย ขณะเดียวกันอย่างสีลข้อที่3บอกเว้นจากการทำลายหญิงเป็นต้นเสียแต่ไกลนยะหญิงที่ไม่ว่าจะหญิงนั้นอ่ะเป็นผู้ที่มีคู่ครองแล้วหรือหญิงที่บิดามารดาเป็นต้นปกปักรักษาก็ไม่ทำลายโดยประการทั้งปวงจะด้วยเหตุผลใดก็ไม่ทำลายผู้อื่นโดยประการทั้งปวงเยนะเพราะาทำลายผู้อื่นก็คือทำลายตนมันแหละขณะเดียวกันเป็นคนที่พูดจริงนะพูดจริงไว้ใจได้ คำพูดทุกคำเนี่ยถ้าคนนั้นพูดแปลว่ายืนยันได้เสมอว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละแน่นอนแล้วเขาไม่หลอกหลอกเป็นต้นที่เรียกว่าไว้ใจได้เป็นคําพูดที่ไว้ใจได้ขณะเดียวกันก็มีคุณธรรมคือสมานคนที่แตกกันไม่ส่อเสียดเนี่ยนะงั้นคำพูดทุกคําที่เขาพูดจะไม่เป็นไปเพื่ออะไรนะมันร้าวหน่อยหนึ่งก็เป็นลักษณะประเภทเอาอะไรไปไปสมานให้มันอย่าแตกกันไม่ใช่ไปแปรร้าวหน่อยหนึ่งงัดแงใหญ่เลย มีอะไรที่เขางัดแล้วก็งัดเง่แ ง, แง่อยู่นั่นแหละจนร้าวนิดเดียวบางทีสักไปช่วยถ้าร้าวใหญ่โตเลยนะั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะนะมันเห็นช่องรอยร้าวนิดๆหน่อยๆก็ช่วยประสานช่วยสมานที่สุดเท่าที่จะทําได้อันนี้คือคำไม่ไม่ปิดสุนาวาจาคือไม่ส่อเสียดขณะเดียวกันก็เพิ่มสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้หมายคือว่าถ้าเขาสมัครสมาสามชิกีปรองดองกันแล้วควรจะเพิ่มเติมด้วยประโยชน์อันใด ก็น้องประโยชน์เหล่านั้นเพิ่มเติมให้พูดไม่หยาบคือพูดจาน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสคําพูดก็พูดแบบคนน่ารักพูดยิ้มแย้มแจ่มใสซแบบทั่วไปเขาบอกว่าอย่างนางแก้บอกยิ้มก่อนแล้วค่อยพูดไม่ใช่โอ้โหด่าซะเรียบร้อยแล้วก็เออสบายใจแล้วก็ยิ้มยังไงไม่ใช่เป็นคนที่ไม่พูดเพรสเชอร์ก็คือพูดเป็นอัดพูดเป็นทำพูดเป็นอัดแล้วก็พูดเป็นธรรม พูดเป็นอัดก็คือพูดเป็นประโยชน์พูดเป็นเหตุพูดเป็นผลอนาพูดเป็นกุศลอกุศลให้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นผลที่จะได้รับมาเป็นความสุขผลที่จะได้รับเป็นความทุกพูดทุกคําเป็นคําพูดที่มีประโยชน์แล้วก็อนาพิชามีความไม่อยากได้หรือมีมุ่งกําจัดความโลภโดยส่วนเดียวเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติมุ่งกําจัดความโลภอภพยบาทมีใจมุ่งกําจัด ความโกรธเนี่ยนะที่เรียกว่าเป็นคนที่ติเตียนความโลภเป็นคนที่ติเตียนความโกรธมุ่งกำจัดความโกรธสุดท้ายก็บอกว่าเป็นคนที่ไม่เห็นสิ่งไม่เห็นวิปริตไม่เห็นวิปลาดคลาดเคลื่อนนะนะเห็นอะไรเห็นว่าการให้ทานมีผลเห็นว่าการรักษาศีลมีผลเห็นวิบากแห่งความดีและความชั่วเนี่ยนะเห็นคุณของพ่อของแม่เห็นอ่าเรียกว่าเห็นอุปปาติกะเข้าใจในเหตุผล แม้กระทั่งรู้คุณของพระตถาคตอาราหารันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้คุณของพระรัตนตรยรู้กรรมสกตารู้ความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมสกตาแล้วก็มีสัจจานุโลมมิกฉายานมีความรู้ความเห็นที่สอดคล้องต่ออริยศัสตร์ทั้งหลายก็เป็นคนที่มีคุณธรรมคือกะตัญยูกะตะเวทีรู้อุปการะคุณที่คนอื่น ทำแล้วแก่ตนม่อน้อมเราะว่าจะตอบแทนคุณแก่ผู้อื่นได้อย่างไรเรียกว่ากะตะเวทีเนี่ยรู้ในการตอบแทนว่าจะตอบแทนผู้อื่นได้อย่างไรเป็นคนที่อ่อนน้อมต่อผู้เจริญในฐานะพี่ในฐานะลุงป้านะอาผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นคนที่อ่อนน้อมต่อผู้เจริญเป็นคนที่มีอาชีพบริสุทธิ์เนี่ยนะประกอบอาชีพไม่ทาอาชีพด้วยทุจริตกรรมเป็นคนที่ใครในกุศลธรรม เป็นคนที่ใครในคุณงามความดีชกักชวนคนอื่นในกุศลธรรมห้ามสัตว์ห้ามคนอื่นจากสิ่งที่ไม่ควรทำโดยประการทั้งปวง น, นะว่าอะไรที่ไม่ควรทำก็ห้ามคอยห้ามคอยปรามคอยตักคอยเตือนคอยปฏิเสธที่จะให้คนอื่นทำชั่วให้คนอื่นตั้งอยู่ในสิ่งที่ควรทำประกอบความเพียรในกิจนั้นด้วย ตนเองอะไรที่เป็นสิ่งที่สมควรทำตัวเองก็ทำก่อนคนอื่นไม่ทำก็ทำขณะเดียวกันก็ยังช่วยแนะนำบอกกล่าวคนอื่นในการกระทำ